เรื่องข่าวสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อญี่ปุ่นบุกประเทศไทยผู้เล่าพักอยู่วัดป่าสุทธาวาสที่จังหวัดสกล น, นครมีเครื่องรับวิทยุ ข, ของเทศบาลหนึ่งเครื่องตั้งอยู่ที่สี่แยกของโรงแรมเทศบาลและอีกหนึ่งเครื่องเป็นของพ่อค้าเอกชนตอนค่าเลิกค้าขายของ จะกลับไปบ้านพักนอกเมืองเพื่อหลบภัยทางอากาศบ้านพักบดีคนนี้อยู่ใกล้วัดป่าสุทาวาสพระมหาเสงปุโสจะใช้ผู้เล่าซึ่งขณะนั้นยังเป็นสามเณรอยู่ไปรับฟังข่าวสารเป็นประจำจนได้ฉายาว่าวิทยุน้อยเป็นนงความมาเล่าจะได้ความละเอียดและความแม่นยำเหมือนวิทยุน้อยทำอย่างนี้สองปีติดต่อกัน ก่อนทหารญี่ปุ่นบุก ป, ประเทศไทยไม่มีวี่แววจากสือ่อใดๆเลยแต่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติแปลกประหลาดเวลาประมาณ19นาฬกานาทีเห็นจะได้ผู้เล่ามาจากกุฏิเจ้าอาวาดพักอยู่ในโบทไม้หลังเกา่ามีลูกไฟขนาดใหญ่เท่าลูกมะพร้าวทั้งเปลือกพุ่งจากตะวันออกสู่ตะวันตกแสงรุ่งโรจน์จนมองเห็นลายมือผ่านไปอย่างรวดเร็ว ต่างวิภากวิจาร์กันไปต่างๆนานาและปีนั้นฝนก็ตกเดือนอ้ายเดือนยี่ติดต่อกันบรดานว่าจะเกิดศึกสงครามหรือโรคหาลงหลังจากนั้นประมาณ15วันตื่นเช้าไปบินทบาทชาวบ้านจับกลุ่มพิงไฟวิภาควิจาร์กันแซดว่าทหารญี่ปุ่นบุกสิงคโปร์และประเทศไทยที่จังหวัดสงขลาหนักน่วงสาหัสสากน ตั้งแต่ตีสี่ตอนที่บินทบาทนั้นก็ยังรบกันอยู่ทางหอกระจายข่าวเทศบาลก็กระจายเสียงของรัฐบาลแถลงข่าวเป็นระยะระยะผ่านไปได้อีกสี่ห้าวันรัฐบาลก็ถแถลงเป็นทางการว่าพี่น้องชาวไทยไม่ต้องวิตกกังวลจงตั้งหน้าตั้งตาทำหากินเป็นปกติแต่หารญี่ปุ่นไม่ได้เป็นศัตรูไทย แค่ขอผ่านไปรบกับอังกฤษที่พม่าและอินเดียและยังถแถลงต่อไปว่าญี่ปุ่นคือมหามิตรของเราพวกเราได้เข้าร่วมวงไพยบูนกับญี่ปุ่นแล้วเรื่องเป็นอยู่ระหว่างสงครามประวราณนาออกพรรษาแล้ว คำว่ากฐถินผ้าป่าไม่ต้องกล่าวถึงเพราะอยู่ในภาวะสงครามผ้าพื้นบ้านมีอยู่แต่จำกัดเป็นผ้าได้หยาบธรมธรมดาธรรมดาในความรู้สึกของพระสงฆ์ไม่มีค่านิยมแต่ท่านพระอาจารย์ทําเป็นตัวอย่างนำมาทำเป็นสบงขันทําเป็นจีวรใช้แต่ไม่ทําเป็นสังขติท่านบอกว่าแต่ก่อนเราก็ใช้ผ้าอย่างนี้ ไม่มีผ้าเช็คผ้าจีนเรายังสืบทอดศาสนามาได้ตั้งแต่นั้นมาพระเลยไม่อดจีวรใช้กันไม่ขีดไฟก็ต้องแบ่งก้านกันปลักเปล่าเก็บไว้เทียนไขแบ่งเล่มเวลาจะใช้เวลาไปห้องน้ำได้ท่าดีแล้วต้องดับเทียนไว้ก่อนหรืออยู่ในห้องนอนสงสัยว่า จะมีสัตว์อันตรายจึงจุดไฟไปดูเป็นต้น